อรมานานุสัยวิปัสนาญาณสามารถละกิเลสที่เป็นอารมานานุสัยส่วนมรคคิยาละกิเลสที่เป็นสันตานุสัยดังข้อความในคัมภีวิพังว่า 1. อนุสัยเจ็ดคือกรมราคานุสัยอนุสัยที่ยินดีกรรมคุณปฏิคานุสัยอนุสัยที่โกรธเคืองมานานุสสายอนุสัยที่ถือตัว ทิฏฐานุสัยอนุสัยที่เห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยนุสัยที่สงสัยภวาราคานุสัยอนุสัยที่ยินดีพบและอวิชานุสัยอนุสัยที่ไม่รู้จริง 2. องราคานุสัยเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกก็คือสังขารนี้สอง ราคานุใสของหลาวสัต ย, ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกคือสังขาร น, นี้สามปฏิกานุใสของเหล่าวสัต ย, ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีในโลกนี้สี่เมื่อเป็นดังนี้เอาวิชานุสใสก็นอนเนื่องในราคะและปฏิคะทั้งสองเหล่านี้ห้า เพิ่งทราบว่ามานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยตั้งอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับจิตที่ประกอบกับอวิชชานั้นข้อความนี้อธิบายว่าอารมณ์จำแนกเป็นสองประเภทคือหนึ่งสภาวะอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจตามธรรมชาติเช่นรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมเป็นต้น 2. ปริกับประิทฐารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีพอใจโดยความคิดนึกเช่นสิ่งปฏิกูลอุจจาระซากศพเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่บุคคลทั่วไปไม่พึงปรารถนาแต่สัตว์บางชนิดมีสุนัขสุกรหรือนกแกลง้งเป็นต้นพอใจอารมณ์เหล่านั้นด้วยอำนาจแห่งจินตนาการของตน อารมณ์ทั้งสองประเภทเหล่านี้เป็นสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกคือสังขารชื่อว่าปิยรูปสภาพที่น่ารักสาตรูปสภาพที่น่ายินดีกามราคานุสัยและพวาราคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในอิทธารลมอันเป็นธรรมฝ่ายโลกิยะนั้นโดยทำนองเดียวกัน อนิถารมแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งสภาวะอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจตามธรรมชาติเช่นรูปไม่งามเสียงไม่ไพเราะกลิ่นเหม็นเป็นต้น 2. ปริกับอปนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจโดยความนึกคิดเช่นการพบเห็นพระพุทธเจ้าที่ เดียวรถีสำคัญว่าเป็นอปมงคลเป็นต้นอารมณ์ทั้งสองประเภทเหล่านี้เป็นสภาพที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีในโลกคือสังขารชื่อว่าอปิยะรูปสภาพที่ไม่น่ารักอสาศาตรูปสภาพที่ไม่น่ายินดีปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในอิทฐารมอันเป็นธรรมายโลกิยะนั้น นอกจากนั้นในทุกขณะที่การมราคานุสัยนอนเนื่องในอิทธารมและปฏิคานุสัยนอนเนื่องในอนิถารมแม้อวิชานุสัยจะนอนเนื่องในอารมณ์เหล่านั้นอีกด้วยเมื่ออวิชานุสัยนอนเนื่องอย่างนี้มานะทิฏฐิและวิจิกิจชาที่มักเกิดร่วมกับอวิชาในจิตดวงเดียวกันก็นอนเนื่องเช่นกันอันหนึ่ง การนอนเนื่องไม่ใช่การซ่อนอยู่ภายในแต่เป็นความพร้อมที่เกิดขึ้นได้ตามอำนาจของอารมณ์เมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะยังละไม่ได้ด้วยวิปัสนาญาณโดยทตังคัปะหานะและมัคคยานโดยสมุดเชษทัปปะหานะดังคำอธิบายในคำภีอัตถกถาและดีกาว่าพระดํารัสว่า เอตสัตตานังราคานโนสยอนุสติราคานุัยของลาวสัตย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกนี้หมายความว่าราคานุใสของลาวสัตย่อมนอนเนื่องในอิทธารมนี้โดยสภาพที่ยังละไม่ได้ด้วยวิปัสนาญ า, าและมักคญาณในบรรดาการนอนเนื่องในอารมณ์ และการนอนเนื่องในกระแสจิตกิเลสย่อมนอนเนื่องในอิทธารมโดยนอนเนื่องในอารมณ์ 1. นึ่คำกล่าวว่าอรมณสันตานานุสยะเนสุในบรรดาการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิตหมายความว่าการนอนเนื่องสองประการคือการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิต สองอุปมาว่าราคะที่ยังละไม่ได้เด็ดขาดด้วยมักควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยย่อมกล่าวว่าสันตาเนอนุเสติย่อมนอนเนื่องในกระแสจิตโดยความเป็นสภาพที่มีกำลังชั้นใดสามแม่อิทธารณมที่ยังละไม่ได้ด้วยวิปัสนาและมักได้ควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัย ย่อมกล่าวว่าอรัมมเนอนุเสติย่อมนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์โดยความเป็นสภาพที่มีกําลังฉันนั้นพึงทราบการนอนเนื่องในอารมณ์ของราคะนั้นอย่างนี้สรุปความว่าการที่กิเลสนอนเนื่องในอารมณ์คือการเกิดกิเลสได้ในอารมณ์ที่ไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยวิปัสสนาญาณ และมัรคยานจึงเรียกว่าอรมมารมนานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์พระพุทธองค์ตรัสถึงการละอนุสัยประเภทนี้ว่าหนึ่งดูกระภะิกษุทั้งหลายพวกเธอควรละราคานุสัยในการเสวยสุขสุ ข, ขเวทนาสองควรละปฏิคานุสัยในการเสวยทุก ข, ขเวทนา ควรละอวิชานุสัยในการเสวยไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกอุเบกขาเวทนาในคำพีอธกิกถาอธิบายเรื่องนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอารมนานุสัยไว้ในพระสูตรนี้อารมนานุสัยนี้มีชื่อว่าอารมนาทิฆาหิตตุปปณนะคือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นอารมณ์ดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่า อันหนึ่งเมื่ออารมณ์มาปรากฏแก่จักสุเป็นต้นกิเลสทั้งหลายที่แม้จะยังไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นขณะได้รับอบรมได้ชื่อว่าอรรมนาทิขหิตตุปปณะเพราะเกิดขึ้นแน่นอนในภายหลังเนื่องจากยึดมั่นอารมณ์โดยแท้ข้อความข้างต้นหมายความว่าเมื่ออารมณ์หกที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจอันได้แก่ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมรมมาปรากฏทางทวารหกเป็นการเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกถึงในขณะนั้นกิเลสที่เป็นความโลภหรือความโกรธเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ถ้ากิเลสเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะเกิดในภายหลังแน่นอนหรือแม้จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะโยนิโสมณสิการเป็นต้นกิเลสก็อาจปรากฏในภายหลังเมื่อมีเหตุปัจจัยร้อนเช่นการหวนคิดถึงการพบกับอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือการพบกับอารมณ์ที่ตรงกันข้ามการกระตุ้นชักชวนจากคนอื่นเพราะบุคคลยึดมั่นอารมณ์ไว้แต่ถ้าไม่มีความยึดมั่นอารมณ์กิเลสก็จะปรากฏไม่ได้ดังนั้นกิเลสที่พร้อมจะปรากฏ เพราะยึดมั่นอารมณ์นี้จึงได้ชื่อว่าอารมนาทิคขหิตตุปปณนะพระอริยผู้ขจัดกิเลสได้เด็ดขาดด้วยมัคคยาแล้วย่อมสามารถละกิเลสที่เป็นอารมนานุสัยที่ชื่อว่าอารมนาทิคขหิตตะได้แน่นอน ส่วนวิปัสนาอา ร, รมณานุสัยได้เช่นกันกล่าวคือผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นว่าอารมณ์มีรูปการเห็นรือ่อเสียงการได้ยินเป็นต้นที่ปรากฏทางทวารหกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนย่อมได้ชื่อว่าละกิเลส ท, ที่ยึดมั่นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนจึงกล่าวได้ว่ากิเลสไม่นอนเนื่องในอารมณ์ที่กําหนดรู้ เมื่ออารมณนานุสัยสงบไปดังนั้นกิเลสที่เป็นปริยุทธานะหรือวีติกะมะรวมถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมและบริวารขันที่อาจเกิดขึ้นอีกมีมนุษย์ก็พลอยสงบไปพร้อมกันดังคำพีมหาดิกากร่าวถึงความสงบไปของกิเลสกรรม และวิบากเหล่านั้นด้วยวิปัสนาว่าหนึ่งอานิจจานุปัสนาที่แสดงเป็นลําดับแรกย่อมละอานิจจสัญญาด้วยตัดทางข้าประ h a เป็นต้น 2. อนหนึ่งอานิจจานุปัสนาละอานิจจสัญญาอยู่ย่อมละกิเลสโดยยึดว่าเที่ยงอภิสังขารคือบุญบาปที่มีกิเลสนั้นเป็นเหตุให้วิบาก และที่มีกลิ่นและอภิสังขารสองนั้นเป็นเหตุให้หมดไปอันอาจเกิดได้ในอนาคตโดยทำให้ไม่เกิดอีกสามทุกขานุ ป, ปัสสนาเป็นต้นที่ละสุขสัญญาเป็นต้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นพระอัตถคตาจารย์จึงกล่าวว่าวิปัสสนาตัทงังขาวะเสนะสัตทิง พันธาพิสังขารเรหิกิเลสเปริจจัตติวิปัสสนาย่อมละกิเลสพร้อมได้ขานและอภิสังขารโดยทัตังขปหานะอธิบายโดยสังเกตว่าเมื่อบุคคลไม่รู้เห็นว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหกนั้นไม่เที่ยง กิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นดังนั้นกิเลส จ, จึงนอนเนื่องในอารมณ์ที่ไม่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงต่อมาบุคคล น, นั้นอาจคิดถึงอารมณ์ดังกล่าวว่าเที่ยงตามเหตุปัจจัยที่ปรากฏพร้อมโมลการคิดถึงนี้เป็นปริยุทธิฐานภายหลังต่อมาเขาจะพยายามเพื่อให้ได้รับอารมณ์ที่พอใจเพื่อให้อยู่ดีมีสุข หรือเพื่อทำลายสิ่งที่ไม่พอใจตามเหตุปัจจัยที่ตนได้รับความพยายามนี้เป็นอภิสังขารที่มีกิเลสเป็นเหตุเกิดเพราะเกิดต่อจากกิเลสซึ่งสําคัญว่าเที่ยงหลังจากนั้นวิบากขันในภพใหม่คือปฏิสนธิจิตเป็นต้นย่อมเกิดต่อมาตามเหตุปัจจัยเพราะอภิสังขารคือบุญและบาป โดยประการดังนี้วิบากขันใน้พใหม่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีกรรมเป็นเหตุถ้าไม่มีกรรมวิบากขันก็เกิดขึ้นไม่ได้และกรรมก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกิเลส ท, ที่สำคัญผิดว่าเทียงแม้กิเลสก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีความยึดผิดว่าเทียงจะเห็นได้ว่าบุคคลรู้เห็นความเป็นจริงว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหก ไม่เทียงความยึดผิดว่าเที่ยงย่อมไม่เกิดขึ้นอานิจจานุปัสสนาจึงทำให้สภาวะเหล่านี้สงบไปคืออนุสัยที่ยึดมั่นว่าเที่ยงปริยุติฐานที่คิดถึงอารมณ์ที่เคยพบว่าเที่ยงวีติกมะคือความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาโดยเนื่องด้วยอารมณ์ที่คิดว่าเทียง ความพยายามทำบุญและบาปคืออภิสังขารเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ตนต้องการและปฏิสนธิสิ่งที่ตนไม่ต้องการวิบากขันในภพใหม่อันเป็นผลของบุญและบาปด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าอนิจจานุปัสสนาย่อมละกิเลสกรรมและวิบากขันเพราะทำให้อนุสัยเป็นต้นไปจนถึงขันในภพใหม่สงบลง โดยทํานองเดียวกันทุกขานุปัสสนาย่อมละสุขสัญญาและอนัตตานุปัสสนาก็ละอัตสัญญารวมไปถึงกิเลสเป็นต้นดังนั้นในคำพีวิสุทธิมาร์กจึงกล่าวว่าวิปัสสนาย่อมละกิเลสพร้อมด้วยขันและอภิสังขารโดยท่าตังคับปานาะ สันตานุสัยกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลในกระแสจิตของปุตุชนและพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีเพราะยังละไม่ได้ด้วยมักชื่อว่าสันตานุสัยคือกิเลส ท, ที่นอนเนื่องในกระแสจิตหมายถึงว่ากิเลส ท, ที่พร้อมจะเกิดขึ้นในกระแสจิตของบุคคลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นคนป่วยไข้ที่ยังไม่หายสนิทเมื่อมีคนถามว่าสบายดีไหมก็ต้องตอบว่าไม่สบายเพราะเมื่อก่อนได้เคยมีไข้และจะมีไข้อีกต่อไปในทุนนองเดียวกันกิเลสเหล่านี้คืออนุสัยเจ็ดในปุตุชนอนุสัยหเวนทิฏฐิและวิจิกิจฉาในพระโสดาบันและพระสกทาคามีอนุสัยสาคือ ภาวะราคะมานะและอวิชชาในพระอนาคามีกิเลสดังกล่าวแม้จะไม่ใช่กําลังเกิดขึ้นด้วยขณะสามคือขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็มีสภาพเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมโมลจึงเป็นอนุสัยที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในคภีร์ยะมะกะกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหนึ่งอวิชานุสัยมานานุสัย และภวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี 2. อ, อวิชานุสยัยการราคานุสยัยปฏิคานุสยัยมานานุสยัยและภวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลสองจำพวกเพราะโสดาบันและพระสกทาคามีแต่ทิฏฐานุสยัย และวิจิกิจฉานุสัยไม่นอนเนื่องแกบุคคลเหล่านั้น 3. อวิชานุใัยการราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุใัยและภวะราคานุสัย่อมนอนเนื่องแกบุตุชนในบรรดาอนุใส่เจ็ดอนุสัยที่ไม่เกิดร่วมกันโดยขณะเกิดขึ้น อุปาทคณะคือการราคะกับภาวะราคะราคะปฏิคะและวิจิกิจฉาปฏิคะกับมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาและราคะมานะกับทิฏฐิวิจิกิจฉาและปฏิคะทิฏฐิกับวิจิกิจฉาภวะราคะและมานะกิเลสที่ไม่ได้เกิดขึ้น ร่วมกันถูกเรียกเป็นกิเลสนอนเนื่องร่วมกันอยู่ในกระแสจิตโดยชื่อว่าอนุัยกิเลสดังกล่าวไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นจริงๆโดยความเป็นขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนปริยุตฐานะและวีติกะมะแต่เป็นกิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับเหตุปัจจัยที่เหมาะสม เพราะยังไม่ถูกละได้เด็ดขาดด้วยมั้งเรื่องการมราคะและปฏิคะนอนเนื่องอยู่ร่วมกันในบุคคลปรากฏในคำพยิยมกะและอธิกะทาว่าหนึ่งปุจฉาว่าการมราคานุสัยนอนเนื่องแก่บุคคลใดปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นใช่หรือไม่วิสัชนาว่าใช่ สปุจฉาว่าการมราคานุสัยนั้นกําลังเกิดแก่บุคคลใดปฏิการนุสัยก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่หรือไม่วิสัชนาว่าใช่กําลังเกิดหนึ่งอนุสัยมิได้ถูกละในกระแสขันใดหรือว่าเมื่อมีเหตุเกิดของอนุสัยเหล่านั้นในกระแสขันการเกิดขึ้นของอนุสัยมิได้ถูกห้ามไว้ 2. การมราคานุสัยกำลังเกิดแก่บุคคลใดแม้ในขณะมิใช่กำลังเกิดขึ้นปฏิคานุสัยก็ชื่อว่ากำลังเกิดแก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยอนุสัยที่เคยเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในการอื่นในกระแสขันที่ยังละและห้ามอนุสัยไม่ได้ในคำพีมูลดิกาอธิบายเพิ่มเติมว่า กิเลสที่มีกำลังพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมเป็นกิเลสนอนเนื่องที่ชื่อว่าอนุัยหมายถึงการราคาเป็นต้นเจ็ดอย่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกิเลสอื่นที่แม้จะไม่ถูกละด้วยมักส่วนคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่ากิเลสที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ใช่ข่มไว้ด้วยสมถะและวิปัสนา ก็ชื่อว่าอนุสัยเหมือนกิเลสที่ไม่ได้ถูกละด้วยมักตามข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นอนุสัยเจอย่าง5อย่างหรือสมอย่างย่อมนอนเนื่องในกระแสขันของปุตชนและพระเสขะอยู่เสมอในเวลาเหล่านี้คือขณะเกิดอกุศลจิตขณะเกิดกุศลจิต ขณะเกิดวิปากจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิผวังและจุติอนุสัยเหล่านี้ยังนอนเนื่องในกระแสขันคือรูปอย่างเดียวของอสัญญาสัตย์พรหมอีกด้วยดังนั้นอนุสัยดังกล่าวที่นอนเนื่องในกระแสขันของปุตชนและพระเสคขซึ่งอาจเกิดขึ้นตามเหตุปัจจยัยจึงได้ชื่อว่าสันตานุสัย ย่อมถูกละได้เด็ดขาดด้วยมัคเท่านั้นไม่อาจละได้เด็ดขาดด้วยวิสัชนาวิปัสสนานั้นย่อมละกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นด้วยตทางคปหานะและข่มกิเลสอื่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยวิขมพนะปหานะสรุปความว่าข้อความในคำพีวิสุทธิมัคว่าอานิจจานุปัสนา และความสำคัญว่าเที่ยงคืออนิจจานุปัสนาและอรมานานุสัยกิเลสที่เป็นปริยุตฐานและว <sieht S 1> ีต mm ิกะมะพร ah ้อมทั้งกรรมและวิบากขันตามในที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อบุคคลรู้เห็นความไม่เที่ยง แล้วก็รู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนผู้ที่เห็นประจักษ์อารมณ์ว่าไม่เที่ยงแล้วย่อมปราศจากความยึดมั่นว่าเที่ยงอีกทั้งยังไม่สําคัญว่าอารมณ์ที่เกิดดับอยู่นั้นเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเขาเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นเป็นทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาพอใจเพราะ ยังมีความเกิดดับอยู่และเข้าใจว่าไม่อยู่ในอำนาจของตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ดังนั้นปัญญาที่รู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนจึงเกิดขึ้นโดยคล้อยตามปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงดังข้อความในอังคุตรณนิกายว่าหนึ่งพึงเจริญสำคัญว่าไม่เที่ยงเพื่อเพิกถอยอัสมิมานะ ความถือตัว 2. ดูกระรพิสูตทั้งหลายความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยง 3. ผู้สำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมถึงความเพิกถอนอัสมิมานะและบรรลุนิพพานในปัจจุบันพบอัสมิมานะคือความถือตัวเป็นความถือตัวในคุณธรรมที่มีจริง ซึ่งสำคัญว่าดีกว่าบุคคลอื่นเกิดขึ้นแก่พระโสดาบันพระสักทาคามีและพระอนาคามีที่จริงแล้วแม้พระอริยะจะไม่มีความยึดมั่นในตัวตนเหมือนปุตุชนเพราะละสัจญทิฏฐิได้เด็ดขาดแล้วแต่ท่านยังคิดถึงกระทาหรือพูดจาโดยความถือตัวด้วยอัสมิมานะ อมีมาณะที่เกิดแก่พระอริยะนี้ในบางแห่งเรียกว่าทิฏฐิมานะเพราะมีลักษณะบางส่วนคล้ายกับสกิยทิฏฐิในบางแห่งก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในกรณีที่กล่าวว่าสัมมาทิฏฐิคือมรรคเบื้องบนและมิจฉาทิฏฐิข้อความว่าความสําคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สําคัญว่าไม่เที่ยง เป็นใจความในเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นว่าไม่เที่ยงก็เป็นอันรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนและเมื่อรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอันละอัสมิมานะด้วยอรหัตตมรักได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพึงเจริญ อ, อนิจจสัญญาเพิกถอนอัสมิมานะในคำภีอัตถกถาอธิบายว่าหนึ่ง เมื่อบุคคลรู้เห็นอนิจจลักษณะก็เป็นอันรู้เห็นอนัตตลักษณะสองโดยแท้จริงแล้วเมื่อบุคคลรู้เห็นลักษณะหนึ่งในลักษณะสามเหล่านั้นก็จะเป็นอันรู้เห็นลักษณะอื่นได้สามฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอนิจจสันนิโยภิกเวอนัตสัญญาสันทาติดูกระพิกษุทั้งหลาย ความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยงสรุปความว่าผู้ปรารบความเพียรที่รู้เห็นความไม่เที่ยงแล้วย่อมรู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนโดยประจักษ์ได้กล่าวคือเมื่อเขาคิดพิจารณาอารมณ์ที่ตนรู้เห็นว่าไม่เทีย่ยงย่อมพบลักษณะที่เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน ไม่พบลักษณะที่เป็นสุขและเป็นตัวตนดังนั้นไม่เพียงกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงจะสงบไปในขณะนั้นแม้กิเลสที่ยึดมั่นว่าสุขและเป็นตัวตนก็สงบไปเช่นเดียวกันในคัมภีร์สัมโมหวิโนธนีกล่าวว่าความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์โดยสมมุติมักปรากฏแก่ชาวบ้านทั่วไป เมื่อเขาเห็นหม้อหรือแก้วหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหล่นจากมือแตกไปก็พูดว่าไม่เที่ยงหรือเมื่อมีแผลเกิดขึ้นในร่างกายหรือถูกน้ำตำ่ำก็พูดว่าเป็นทุกข์แต่ความไม่ใช่ตัวตนไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนความมืดที่รู้ได้ยากความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์อาจปรากฏทั้งในสมัยที่มีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ หรือไม่มีก็ได้แต่ความไม่ใช่ตัวตนปรากฏได้เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นแม้ดาบทผู้มีฤทธิ์มากที่เป็นพระโพธิสัตว์ชื่อสรพังคะเป็นต้นก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์แต่ไม่อาจแสดงถึงเรื่องความไม่ใช่ตัวตนได้เพราะถ้าท่านแสดงเรื่องอนัตตาให้ผู้ฟัง ก็ควรจะบรรลุธรรมเช่นเดียวกันการแสดงเรื่องอนัตตนั้นเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องอนัตตาควบคู่ไปกับลักษณะไม่เที่ยงบ้างลักษณะเป็นทุกข์บ้างหรือลักษณะทั้งสองอย่างบ้างความจริงแล้วลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ที่ดาบทนอกพระาะนากล่าวถึงนั้น เป็นเพียงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ที่เจอด้วยสมมุติบัญญัติไม่ใช่ลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะลักษณะไม่เที่ยงที่รู้ว่าหม้อแตกเนื่องด้วยสมมติบัญญัติคือหม้อไม่ใช่สภาพที่รู้เห็นด้วยวิปัสนาญาณเพราะหม้อเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงในสภาวะแม้การรู้เห็นความตายว่าไม่เที่ยงก็เป็นความไม่เที่ยงที่เจอด้วยสมมติบัญญัติเช่นกัน นอกจากนั้นความทุกข์ที่เจ็บปวดตามร่างกายของคนทั่วไปก็ไม่ใช่ความทุกข์ที่เป็นทุกขลักษณะเพราะเนื่องด้วยสมมุติบัญญัติคือเราเจ็บเราปวดดาบทมีสรพังคะเป็นต้นที่ไม่รู้จักอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะอย่างชัดเจนเช่นนี้ย่อมไม่อาจแสดงถึงอนัตตลักษณะที่แท้จริงได้ อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะโดยปรมัติ์นั้นเป็นสิ่งที่รู้เห็นได้ยากและส่งผลให้ผู้เจริญวิปัสสนาสามารถรู้เห็นอนัตตลักษณะได้ในเวลาต่อมาแม้ลักษณะทั้งสองนั้นก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นดังคำพีมูลดีกากล่าวว่า 1. พระอัตถกถาจาร์แสดงว่าการแนะนาอนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะที่แท้จริงซึ่งแสดงถึงอนัตลนนนตลักษณะไม่ใช่วิสัยเพราะการแนะนำอนัตตลักษณะไม่ใช่วิสัยของผู้อื่น 2.. อ, อันหนึ่งการแนะนำได้ยากอย่างนี้ย่อมมีได้เพราะลักษณะทั้งสามนั้นปรากฏได้ยากข้อความนี้หมายความว่าดาบทนอกพระศาสนาจะไม่เข้าใจอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะ โดยประมาจึงไม่สามารถแนะนําอนัตตลักษณะได้และนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจไตร ล, ลักษณ์ที่แท้จริงโดยประมาจึงไม่มีใครสามารถแนะนําได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นการที่บุคคลอื่นกล่าวแนะนําไตรลักษณ์ได้ยากก็เพราะว่าเป็นสภาวะธรรมที่รู้ได้ยากนั่นเอง เพราะต้องรู้เห็นสภาวะที่มีจริงหรือลักษณะพิเศษสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนก่อนจึงจะรู้เห็นไตรลักษณ์ได้อันนี้จะลักษณะและทุกขลรักษณะที่แสดงถึงอนัตตลักษณะได้นั้น ต้องเป็นลักษณะที่แท้จริงซึ่งบุคคลเห็นประจักษ์ด้วยวิสัชนาไม่ใช่ลักษณะโดยสมมุติบัญญัติที่เป็นความแตกสลายของหม้อหรือความเจ็บปวดโดยทั่วไปลักษณะโดยสมมุติบัญญัติดังกล่าวไม่อาจแสดงถึงอนัตตลักษณะได้เพราะไม่ใช่ปัญญาเห็นประจักษ์อย่างแท้จริงดังคำภีอนุดีกาอธิบายว่า หนึ่งโดยแท้จริงแล้วอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่ปรากฏโดยเนื่องด้วยความแตกสลายของหม้อหรือการเสียบแทงของน้ำเป็นต้นไม่ใช่เหตุที่ทำให้หลาวสัตว์บรรลุอนัตตลักษณะได้อย่างแน่นอนสองแต่อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่ปรากฏโดยเนื่องด้วยเหตุปัจจัยและการบีบคั้นเสมอจึงเป็นเหตุดังกล่าว 3. จะเห็นได้ว่าจากสุเป็นต้นดำเนินไปเนื่องในอดีตมีกรรมเป็นต้นและปัใจจัยในปัจจุบันมีมหาภูตา ร, รูปเป็นต้น 4. ด้วยเหตุนั้นแหละจึงไม่เที่ยงเพราะไม่เคยเกิดแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและเป็นทุกข์เพราะถูก บ, บีบคั้นเสมอโดยความเกิดดับ อันหนึ่งอายตนะที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อยู่ในอำนาจดังนั้นผู้ที่ได้สั่งสมปัญญาอุปถัมภ์ไว้ซึ่งดำรงอยู่ในการกำหนดรู้จึงสามารถเห็นได้สรุปความว่าอนิจจานุปัสสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งปัญจักขยานปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงโดยรู้เห็นความเกิดดับ หรือความดับไปเท่านั้นในขณะระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวารหก 2. ออนุมานญาณปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตที่เป็นภายนอกหรือที่อยู่นอกโลกทั้งหมดมีสภาพไม่เที่ยงโดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วในบางแห่งเรียกว่า อัญญวะยะยานคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์อนิจจานุปัสนาทั้งสองประเภทโดยการเห็นประจักษ์และโดยอนุมานรู้มักเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัสนายานเป็นต้นไปและมีกำลังแก่กล้าบริบูรณ์ในระดับพังคยานเป็นต้นไปโดยลักิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงดังปรากฏข้อความว่า ผู้ที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมขจัดความสำคัญว่าเทียง